ความสุขที่เรารู้จักในโลกนี้เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นอาศัยคนอื่นความสุขอย่างนี้ยังแปรปลวนอยู่แต่ความสุขของการเข้าไปสัมผัสนิพพานนิพพานไม่เคยแปรปลวนนิพพานมีอยู่ตลอดเวลาไม่เคยแปรปรวนดังั้นถ้าเราไปรู้ไปเห็นนิพพานนะจิตใจก็มีความสุขเป็นสุขเพราะเห็นธรรมะที่มันไม่แปรปลวน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 ให้เกิดความทุกขนะ์นั่นคือตัณหานิกโครนก็สอนนะศา ส, สนาของนิกโครนเขาก็สอนเหมือนกันความแตกต่างอยู่ที่วิธีการต่างหากวิธีการของคนอื่นก็เป็นวิธีการแบบของเขาแต่วิธีการของชาวพุทธนะก็ต้องเป็นวิธีการเฉพาะของชาวพุทธนะวิธีการของชาวพุ ท, พทธนะพุทธะแปลว่ารู้นะพุทธะแปลว่ารู้เราเป็นศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาแห่งการรู้ พ ร, พ, mm. uniform, พระพุทธเจ้าชื่อว่าพระพุทโธพุทโธคือท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นภาวะของความรู้นี่แหละทำยังไงเราจะเกิดภาวะแห่งความรู้ขึ้นมาสู้กับความไม่รู้ความไม่รู้ชื่อว่าอวิชชาความรู้ชื่อว่าวิชชาทำยังไงเราจะล้างอวิชชาได้ทำยังไงจะเกิดวิชชาถ้าเราเข้าถึงภาวะแห่งการรู้ได้อย่างแท้จริงเราจะพ้นจากความปรุงแต่งได้พ้นจากความทุกข์ใด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 เวลาโกรธขึ้นมาสติก็ระลึกได้ว่าโกรธไปแล้วมันเป็นเองนะหรือสติมันระลึกรู้กำลังอาบน้ำถูสบู่อยู่นะระลึกปั๊บไปนะระลึกถึงตัวรูปด้เห็นเป็นท่อนๆเนหะ็นเป็นท่อนๆเป็นแท่งๆเป็นแข็งๆอ่อนๆเป็นเย็นเป็นร้อนนะไม่มีตัวมีตนอะไรนะสติต้องเกิดเองจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะ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 อย่างคนที่หัดอาณาปานาสติรู้ลมหายใจสังเกตให้ดีเถอะเกือบ100ร้อยละร้อยนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมที่แท้จริงเนะ่ยเกือบ100ร้อยละร้อยเลยจะไปเพ่งลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจคนที่ดูท้องพองยุบนะเกือบ100 ร, ร้อยละร้อยนี่พูดแบบเกรงใจที่สุดแล้วนะเกือบ 100, ร, ร้อยละร้อยจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตก็ไหลไปอยู่ที่เท้านะไปรู้อีริยาบทสี่นะไปเพ่งมันทั้งตัวเลย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 เขาโทรศัพท์มาหากรรมการวัดคนหนึ่งคือชมพนะูเพราะมีเบอร์ของชมพูอยู่เบอร์วัดนะเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าแกเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งนะแต่สำนักเนี่ยไม่ยอมให้ไปไหนมาไหนง่ายๆก็ เ, เลยต้องใช้แอปโทรมาแกเล่า ว, ว่าแต่เดิมแกก็สอนกรรมฐานแนละ้วแกก็ภาวนาแกด้วยแกเครียดมากเลยหลังแกแข็งเป็นก้อนหินอย่างนั้นเลยทรมานมาก ต่อมาคนซึ่งไปเข้าคอร์สแก่เอาหนังสือหลวงพ่อไปแกก็ไปขอดูนะแล้วก็สนใจเขียนจดหมายมาขอหนังสือไปเอาไปอ่านค ง, ต, งต้องแอบอ่านอนะซนะีดีฟังไม่ได้เดี๋ยวคนเห็นได้ยินเป็นอาจารย์นะนะอ่านอ่านไปรู้สึกว่าเราทําผิดเราไปเพ่งอารมณ์เราไม่ได้รู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์นะแกบอกพอแกรู้ตรงนี้แกเห็นว่าจิตไปเพ่งจิตก็คลายออก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 ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะไหลไปอยู่ในอารมณ์แล้วไปแช่ไปเพ่งตัวอารมณ์นะเป็นสมถะกรรมฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเพ่งอะไรก็เป็นสมถะทั้งหมดถ้าจิตตั้งมั่นก็จะเดินมิปัสฉนาได้เห็นความจริงนี่พอเห็นความจริงแล้วมาถึงตัวสุดท้ายใช่ไหมที่แรกหลวงพ่อบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจนะที่เป็นปัจจุบันนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นประโยคสุดท้ายและเป็นกลาง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 เวลาเราฝึกหลงเนี่ยเราฝึกมานับครบนับชาติไม่ถ้วนเวลาจะฝึกสติก็ อ, อย่าใจร้อน <c oughs> ให้คอยรู้ทันเวลาใจแอบไปคิดรู้สึกไหมใจเราไปคิดแวบแวบบแวบบแบบไปเรื่อยๆ <c oughs> ดูออกไหมอย่างตอนนี้อยากพูดละรู้สึกไหมเนี่ยความอยากมันดันขึ้นมาดันที่ลิ้นปี่เนี่ยดันที่กลางหน้าอกเนี่ยนะอย่างนี้ควรจะอ่าสวดมนต์ก่อนด้วย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 เดาออกเจ้าค่ะเห็นไหมเรารู้สภาวะไม่ชัดด้วยนนะมัจิตไม่ตั้งมั่นนะฮะจิตไม่ตั้งมั่นมันฟุ้งซานนะมันทําให้เห็นสภาวะไม่ชัดใจมันเลยมัวมัวไปแล้วก็รู้ทันไปเสียนะใจไม่มีกําลังนะพยายามทําในรูปแบบมากๆเลยเจ้าค่ะขอพอบคุณเจ้าค่ะะเราเดินไม่ถนัดเราก็ทําในรูปแบบแค่นี้ก็ได้นะ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 เป็นคนนี้ใส่ปลาดเร็วแล้วก็ปราดเรียวไม่ไปดัดแปลงแต่เราฝึกสติให้เร็วเร็วเจนกระทั้งมันทันกิเลสังนะเกตไม่ใจไหลแวบแวบแวบนะรู้สึกเอาค่ะมีผู้แนะนําว่าเดิมเดิมทีที่จะดูที่ท้องผ่องยุบใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเอ่ยชื่อสินะไม่ต้องบอกว่าฝึกมาแบบไหนเดี๋ยวมันกระทบกันเผื่อว่ามีผู้แนะนำว่าให้หนูเปลีป่ยนเป็นมาดูดูที่มือค่ะดูที่กายค่ะ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 คิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราจิตใจไม่ไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางเรายอมมัน<ช>เองนะเรายอมให้มันกดขี่เองอย่ายอมสู้น ะ, ะเราลูกพระพุทธเจ้านะคิดอย่างนี้นะเราลูกพระพุทธเจ้าเรื่องอะไรเราจะต้องยอมให้กิเลสขี่คอเราไว<ก>้สู้มันหาทางหาทางสู้หาทางกมิตีสู้<ห>คือรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปหาทางเอาเอ ง, าเองหาเองไม่ได้นะต้องใช้ทางที่พระพุทธเจ้าสอนค่ะก็ะมีโอกาสได้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 ขี้เศราข <Okay. S 1> ี้เศราต้องย้ายไปภาวนาตามวัดป่าให้มันตื่นตัวแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ขี้เศร้านะเดี๋ยวงูเลื้อยมันนอนอยู่ด้วยอะ<า>ไรเงี้ยนะแค่คิดอย่างนี้ก็ไม่ขี้เศร้าแล้วแล้วก็โยมจิตโยมตื่นบ้างหรื อ, อยังเจ้าคะแ <c oughs> กรงใจเกรงใจ <c oughs> ยังแล้วก็เป็นกลางบ้างหรื อ, อ ย, ยังยัง <c oughs>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 นี่หัดอย่างนี้นะหัดพุดโทโธไปก็ได้แล้วก็จิตแอบไปคิดเรารู้จิตแอบไปคิดเรารู้พื้นฐานของคุณเป็นคนช่างสงสัยนะให้ความสงสัยเกิดขึ้นอย่ามัวแต่คิดหาคําตอบเสียเวลาสงสัยให้รู้ว่าสงสัยแล้วสงสัยก็แสดงไตรลักษณ์เองเกิดแล้วก็ดับน ะ, ะไปคนต่อไปกราบนะมาสการหุง่งก็เจ้าค่ะคือลูกฝึกมานานแล้วแล้วก็วิธีฝึกของลูกบากครั้งจิตจะบอกลูกบางคนผ่านมาแวบเดียวส่วนมาก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 พอแป่ไปนิดนึงผมก็เลยกลับมาทําความสงบนะครับด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็บริยายกับผู้โทแต่ระหว่างที่บริกรรมรก็ดูเป็นวยว่าจิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้ถ้าทําอย่างนีมน้มันไม่สงบเลยครับไม่ต้องสงบนะบให้แค่เราจะฝึกสติแล้วเราจะฝึกสติเพ ร, ราะฉะนั้นจิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้จิตมีความโลภความโกรธความหลงเรารู้จิตฟุ้งซ่านหดหู่สงสัยเรารู้การที่เรารู้ไปเรื่อยๆอย่างจิตเกิดกามาชันทะ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 เมื่อ น, นิวรณ์ไม่มีจิตก็จะสงบลงมาเองครับทีว่าจิตป้อแปะนี่ต้องทําความสงบเข้ามาทิงจเองเป็นใ่ไครับท่งความทําความสงบแต่ต้องมีสติมากกว่านี้ความสงบที่ทำนี่สติอ่อนไปอีกอีกข้อหนึนะครับคือผมได้อ่านหนังสือหลงปู่มันนะครับที่สนทนากับพระรูปหนึ่งท่านว่าอ่า บ, บุคคลที่เป็นปุตรชนเนี่ยผู้ไม่ได้ปฏิบัติจะใส่ใจข้างเกิดไม่ใส่ใจข้างดับ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 อย่าไปรู้สึกว่าฉันเหนือกว่าแกนะชั้นดีกว่าแกเพราะแกไม่ปฏิบัติฉันเป็นคนดีชั้นปฏิบัติถ้าอย่างนี้เราถูกกิเลสหลอกค่นะตอนนี้ถ้าคนใกล้ชิดของเราเนี่ยค่ะอย่างอย่างคนใกล้ชิดของเราเราไม่อยากให้เขาคือคื อ, คอเขาจะบาปเราไม่อยากให้เขาได้พราเราเนี่ยเราจะไปอยากแทนคนอื่นเลยนะเอาตัวให้รอดก่อนนะขอบคุณค่ะกลับมาวันสักการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งแรกฮะเพิ่งตั้งจีรีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งนะครับ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 เราเวทนาเกิดที่นี้เรารู้เกิดที่นี่เรารู้นี่ซ้อมสตินะแต่ว่าจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นเราไม่ได้ซ้อมสัมมาสมาธิด้วยมิถีซ้อมสัมมาสมาธิคือเวลาเรารู้ที่หูเนี่ยถ้าจิตเราไหลไปที่หูเราก็รู้ทันนะให้เรารู้ทันด้วยมอีกว่าจิตไปที่หูเออนะให้รู้ทันจิตไปอีกอย่างหนึ่งไะ่งั้นจิตของคุณมันจะลอยคุณรู้สึกหมจิตของคุณจะกระจายกว้าง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 สพีติโยวิวัตชันตุสภะโรโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังมุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังอย่าลืมนะมีสติรู้กายรู้ใจนะลงปัจจุบันนะรู้ตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลาง ทำวันหนึ่งก็จะถึงมรรคผลนิพพานจะพบว่ามินมีความสุขที่สุดเลยนะ